เมื่อครั้งสมเด็จพระบรมโล ก, กนาณมีพระชนอยู่นั้นบุคคลกระทํากุศลได้ผลเห็นทันตามีอยู่หกคนบุญนกโกทาโศคือนายปุณนาธาต์คนหนึ่งปุณนธาธาต์คนนี้ได้ถวายจังหันแก่พระสารีบุตรเทระเจ้าก็ได้ที่เป็นปุญกะเศรษฐีในวันถวายจังหันนั้นใช่แต่เท่านั้น ยังมีอยู่อีกห้าคนคือมารดาไนโคบาลคนหนึ่งสุ ป, ปิยาอุบาสิกาคนหนึ่งนางมาลิกาเทวีคนหนึ่งสุมาณมาลาการคนหนึ่งเอกสาดกพรามณ์คนหนึ่งจึงเป็นห้าคนห้าคนนี้กระทำกุศลได้พกคสมบัติยศศักดิ์เห็นประจักษ์เป็นทิฏฐธรรมเวเทนีนะบบพิทพระราชสมภารกิระ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 สุยติพันเตนาคเสนาะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาได้ยินบ้างหรือไม่เมื่อครั้งสมเด็จพระบรมโลกกนานาศาสดาจารย์ยังทรงทรมามีพระชนอยู่นั้นพระเจ้าโกศลราชถวายอสัิสสทานครั้งนั้นพระผู้เป็นเจ้าได้สนาการบ้างหรือว่าหามไม่ได้พระนาคเสนจึงมีเถรวาจาว่า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 พระนาคเกษณจึงถวายพระพรว่ามหาราชาขอถวายพระพ ร, พรบพิษพระราชสมภารพระเจ้าโกศลให้อาสัติสถานนั้นจะได้ผลเป็นทิฏฐะเห็นทันตาหามิได้สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินธราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเกษณผู้ปรีชาอาสัติสถานที่พระเจ้าโกศลถวายครั้งนั้น หรือชาปรากฏในโลกทีเดียวเหตุชนหนจึงไม่ได้ผลเป็นทิฏฐะเห็นทันตาเหตุชนี้โยมจึงว่ากุศลมีผลอ่อนหากล้าไม่แต่อากุศลนั้นมีผลกล้าจึงได้เร็วพระนาคเษนจึงมีเถระวาจาว่ามหาราชขอถวายพระพ ร, พรบพิษพระราชสมภารอันว่าอากุศลมีผลน้อยจึงพันที่จะให้ได้ผล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 แต่ทว่าได้น้อยไปอย่างหนึ่งชื่อว่าข้าวสาลีหกเดือนหรือห้าเดือนจึงได้ผลแต่ทว่าได้มากนี่แหละบ่พิษพระราชสมภารข้าวสองประการนี้ใครจะมีภาษีกว่ากันสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิปดีมีพระราชโองการตรัสว่าพันเตนาคเสน่ข้าแต่พระน า, าเกษตผู้ปรีชาอันว่าข้าวสาลีนั้น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 ทำไมพระผู้เป็นเจ้าจึงวิสัชนาว่าอากุศลได้ผลมาเร็วแต่ได้น้อยเล่าโยมเห็นว่าบุคคลกระทำอากุศลได้ผลมาเร็วนี่แหละมีกําลังแรงจรึงให้ผลมาเร็วนี่แหละโยมจะเปรียบให้ฟังข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าธรรมดาว่าโยธาผู้ใดเข้าสู่นรงสงครามปราบปรามข้าศึกให้ปราราชัยจับตัวในทัพมาได้